วันนี้เป็นวันเข้าพรรษาเป็นวันที่พระบรมศาสดาพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงบัญญัติให้พระภิกษุที่บวชอยู่ในพระพุทธศาสนาให้อยู่กับที่ตลอดระยะเวลาสามเดือนด้วยกัน นับตั้งแต่วันแรมหนึ่งค่ำเดือน8ปดจนถึงวันแรมหนึ่งค่ำเดือนสิบเ็ดเป็นระยะเวลาที่ไม่ให้พระภิกษุชาวเล็กไปตามสถานที่ต่างๆเนื่องจากเป็นช่วงฤ ด, ดูฝนเป็นช่วงที่ชาวนาชาวไร่ทำการพอะ ปรูกพืชต่างๆถ้าจะลึกไปตามสถานที่ต่างๆบางองค์บางท่านอาจจะเผลอเดินข้ามทุ่งนาแล้วก็ไปเหยียบย่ำทำลายพืชที่ชาวนาชาวไร่ได้ปลูกว่าไว้สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ชาวบ้าน ชาบ้านที่เดือดร้อนก็ได้เข้าเฝ้ากราบทูลถึงความเสียหายที่ได้รับจากการจาลึกของพระภิกษุในช่วงฤดูฝนพระพุทธเจ้าจึงต้องบัญญัติห้ามไม่ให้พระภิกษุจาลึกไปตามสถานที่ต่างๆตลอดระยะเวลา3เดือน ถ้ามีติดจำเป็นจริงๆก็ท่งอนุญาตให้ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ไม่สบายเจ็บไข้ได้ป่วยต้องไปดูแลรักษาท่านก็ท่งอนุญาตให้ไปได้แต่ให้กลับมาภายในเจ็ดวันหรือ ถ้ามีเหตุทำให้กุติสาราเสียหายจำเป็นที่จะต้องซ่อมแซมก็ต้องไปหาวัสดุต่างๆมาซ่อมแซมก็ส่งอนุญาตให้ไปได้หรือสาหธรรมิกคือพระภิกษุด้วยกัน มีความกะสันอยากจะราศิกขาถ้าไปห้ามได้ไม่ให้ลาศิกขาได้ก็ส่งอนุญาตให้ไปหรือศรัทธาญาติโยมมีศรัทธาที่จะทำบุญและนิมนต์ไปในกิจก็ส่งอนุญาตให้ไปได้นอกจากนั้นแล้วก็จะ ไม่ให้อดุญาตไปให้อยู่กับที่ให้บำเพ็ญอยู่กับที่เพื่อจะได้ไม่ไปสร้างความเสียหายสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นแล้วก็จะได้ตั้งหน้าตั้งตาบำเพ็ญกันอย่างจริงจัง พอบางครั้งการจารึกไปเพื่อไปบาเพ็ญ น, นี้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาก็ได้คือเมื่อต้องอยู่กับที่นานๆก็อาจจะเกิดความเบื่อหน่ายเกิดความอยากที่จะไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสปุถุพะก็อาจจะอ้างว่าไปจารึกไปหาที่ใหม่ แต่ความจริงก็อยากจะออกจากที่เก่าไปเหมือนกับนกที่ถูกขังอยู่ในกรงนานๆก็อยากจะออกไปจากกรงบ้างบางทีการไปจารึกนี้ไม่ได้ไปเพื่อการไปภาวนาแต่การไปเพื่อตอบสนองการมชัชชะนัะคือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลภิภัณจึงมี การบัญญัติไว้สำหรับพระภิกษุผูบ้บวชใหม่เวลาบวชใหม่อยู่ต้องอยู่จต้องอยู่กับครูบาอาจารย์ห้าปีด้วยกันไม่อนุญาตให้ไปไหนโดยลำพังโดยไม่มีเหตุไม่มีผลอยู่กับครูบาอาจารย์ท่านก็จะได้คอยอบรมสั่งสอนและคอยควบคุมกามชันทะที่มีฝังอยู่ในใจ ของคนทุกคนคนที่มาบวชใหม่ๆนี้ยังไม่ได้กำจัดกาม m ฉันทะถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยควบคุมคอยกำกับก็จะถูกกาม m a ฉันทะนี้หลอกอ้างเหตุต่างๆให้ไปที่นั่นบ้างมาที่นี่บ้างถ้ามีแต่การเดินทางไปๆมาๆ ไม่มีการปักหลักภาวนากันอย่างจริงจังจิตใจจะไม่เจริญก้าวหน้าจิตจะไม่ตั้งมั่นจิตจะไหลไปตามกระแสของกามชนทะของความอยากต่างๆโดยไม่รู้ตัวโดยคิดว่าเป็นการไปจาริกไปหาที่วิเวกหาที่สงบแต่ความจริง แล้วเป็นเรื่องของความอยากที่จะไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณพะเวลาอยู่ที่ใดที่หนึ่งเป็นเวลานา น, านๆก็จะเกิดความจำเจเกิดความชินชาไม่มีความรู้สึกยินดีกับรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณที่ได้สัมผัสอยู่อย่างต่อเนื่องก็เกิดความอยากที่จะ เปลี่ยนที่เพื่อจะได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสปทพะที่แปลกใหม่อย่างที่คาราวา ญ, ญาติโยมมอกจะทํากันเวลาอยู่ที่ไหนไปสักพักหนึ่งแล้วก็เบื่อก็ต้องไปเที่ยวกันออกไปข้างนอกไปนอกบ้านไปเปลี่ยนรูปเสียงกลิ่นรสปทพะ การกระทำตามความอยากนี้ไม่ได้เป็นการพัฒนาจิตใจแต่เป็นการาฉุดาจิตใจให้ลงต่ำเพราะความอยากนี้เป็นเหมือนเชื้อโรคร่างกายถ้ามีเชื้อโรคมากก็จะมีโครคภัยไข้เจ็บมากใจถ้ามีตันหาความอยากมากก็จะมีความทุกข์ความวุ่นวายมาก แล้วก็จะมีการกระทาที่เสียหายมากดังนั้นการกระทตาตามความอยากจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งต้องพยายามต่อสู้ตลอดเวลาแต่บางครั้งก็ไม่สามารถแยกแยะได้ว่าเป็นความอยากหรือเป็นความจำเป็น เช่นที่พระท่านต้องไปไปเวกไปหาที่สงบเพื่อบำเพ็ญเพราะถ้าท่านอยู่ที่ท่านอยู่นั้นไม่สามารถบำเพ็ญได้มากเท่าที่ควรเพราะเวลาอยู่ในวัดอยู่กับหมู่เพื่อนอยู่กับครูบาอาจารย์ก็จะมีภารกิจเกี่ยวกับหมู่เพื่อนเกี่ยวกับครูบาอาจารย์ และเกี่ยวกับศรัทธาญาติโยมที่เข้ามาในวัดเวลาที่จะใช้ในการบมเพ็ญจิตตะาวนาเดินจงกรมนั่งสมาธิก็จะไม่ค่อยมีมีน้อยกว่าที่ควรจะมีแต่ถ้าได้ไปปริกวิเวกอยู่ตามลำพังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อน ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับครูบาอาจารย์ไม่ต้องเกี่ยวข้องกับญาติโยมก็จะมีเวลาบําเพ็ญได้อย่างเต็มที่เช่นถ้าไปทุดงองค์เดียวก็จะมีเวลาภาวนาอย่างเต็มที่เพราะไม่ต้องเกี่ยวข้องกับใครเชา้าออกบิณรบาดก็ไปองค์เดียว เบินราบาทเสร็จกลับมาฉันองเดียวเดียวเดียวก็ฉันเสร็จฉันเสร็จนั่งบาทเสร็จก็ไม่มีอะไรที่จะต้องมาดูแลรักษาทำความสะอาดมากก็จะสามารถที่จะเดินจงกรมนั่งสมาธิได้อย่างรวดเร็วเดินจงกรมนั่งสมาธิได้ทั้งวัน จนถึงเวลาเย็นก็ส่งน้ำปอดกวาดบริเวณที่พักซึ่งไม่ไม่มีอะไรมากเสร็จเสร็จแล้วก็สามารถพรฒนาต่อได้เดินจงกรมนั่งสมาธิไปจนถึงเวลาพักผ่อนหลับนอนพอพักผ่อนหลับนอนเสร็จเต่ง ข, ขึ้นมาประมาณสี่ห้าชั่วโมงต่อมา ก็บำเพ็ญต่อจนถึงสว่างแล้วก็ออกบินตบาตต่ออันนี้เป็นเหตุที่ต้องไปจ่าเล็กถ้าอยากจะมีเวลาทุ่มเทให้กับการภาวนาอย่างเต็มที่แต่ถ้ายังภาวนาไม่เต็ม น, นี้จะไม่สามารถที่จะบำเพ็ญได้อย่างเต็มที่เพราะ จะไม่มีกําลังจิตกําลังใจทําได้อย่างมากก็อาจจะเดินจงกรมสักชั่วโมงนั่งสมาธิสักชั่วโมงหนึ่งแล้วหลังจากนั้นก็ไม่รู้จะทําอะไรดีถ้าอย่างนี้ก็ยังไม่เหมาะกับการที่จะไปปีกวิเวกไปอยู่คนเดียวตามลำพังอาจจะต้องอยู่กับผู้บาอาจารย์ให้ท่านอบรมสั่งสอน ให้ท่านให้กำลังจิตกำลังใจให้ท่านคอยผลักดันเพราะเวลาอยู่ครูบาอาจารย์ถ้าไปทำกิจนอกเรื่องนอกราวไม่ได้เกี่ยวข้องกับกิจของการภาวนาะก็มักจะถูกท่านเตือนหรือห้ามไม่ให้กระทำแต่ถ้าอยู่คนเดียวไม่มีคอยมาห้ามมาคอยเตือน พอภาวนาไม่ได้ก็จะห า, างานอะไรอย่างอื่นทําไปก็ได้ถ้าไปอย่างนี้ไปแบบไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์ไปไปไปก็จะไม่ได้รับประโยชน์เท่าที่ควรผู้ที่ไปนี้มักจะเป็นผู้ที่สามารถภาวนาได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นจนหลับ ถึงแม้จะอยู่กับครูบาอาจารย์อยู่กับหมูเพื่อนก็บำเพ็ญด้วยการเจริญสติเวลาออกมาทำภารกิจร่วมกับผู้อื่นแต่มันก็ไม่เหมือนกับการเจริญสติในเวลาที่อยู่คนเดียวสติจะต่อเนื่องกว่าจิตจะมีความตั้งมั่นมากกว่าอยู่กับคนอื่น วเวลาอยู่กับคนอื่นก็อาจจะเผลอปล่อยให้จิตคิดปรุงแต่งไปได้เพราะมีเรื่องมีราวต่างๆเข้ามาให้คิดปรุงแต่งพอคิดแล้วก็คิดเลยเถิดไปกลายเป็นอารมณ์ว่าวุ่นขุ่นมัวขึ้นมาได้แทนที่จะเป็นอารมณ์ที่นิ่งสงบแต่ถ้าอยู่คนเดียวนี้ ความคิดตรงแต่งก็จะไม่มีมากเพราะไม่มีเหตุที่ทำให้ต้องคิดตรงแต่งก็สามารถคิดไปในฐานธรรมได้พิจารณาตายรับได้อย่างต่อเนื่องพิจารณาตายบ้างของร่างกายเช่นเกิดแก่เจ็บตายดินน้ำลมไปอาการสาสิบสองของร่างกาย ถ้าดูบ่อยๆแล้วความจริงของร่างกายจะปรากฏขึ้นมาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่ไม่ใช่ในายกอนายขอไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายเร่างกายนี้ก็เป็นเพียงอาการสามสิบสองดีๆนี่เองคือมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืน ไปปอดไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะและน้ําต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายเช่นน้ําเลือดน้ําเหลืองน้ําดีน้ําสะเลตุน้ําเหงื่อน้ําตาน้ํามันข้นน้ําลายน้ํามูกน้ํามันเหลวน้ําไขข้อน้ํามูดอันนี้เป็นส่วนที่เป็นส่วนเหลวของร่างกาย สนแข็งก็อย่างที่ได้แสดงไว้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสาสองที่มารวมตัวกันให้เป็นรูปเป็นร่างรับได้รับสมมุตินิยมเรียกว่าเป็นหญิงบ้างเป็นชายบ้างเป็นมนุษย์บ้างเป็นเดรัจฉานบ้างมีชื่ออย่างนั้นบ้างมีชื่ออย่างนี้บ้าง มีฐานะอย่างนั้นมีฐานะอย่างนี้ซึ่งเป็นเรื่องของสมมุตินิยมไม่ใช่เป็นความจริงความจริงแล้วร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสองไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามของหญิงของชายของมนุษย์ของเดรัจฉานก็มีอาการสามสิบสองเหมือนกันของคน สูงของคนต่ำก็เหมือนกันแล้วก็มีการเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันถ้าพิจารณาร่างกายอย่างนี้ไปเรื่อยๆก็จะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างชัดเจนก็จะสามารถละสากายยะทิฏฐิความหลงที่ไปเห็นว่าร่างกายเป็นตัวเราเป็นของเรา เป็นหญิงเป็นชายเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นพระเจ้าแผ่นดินเป็นนายกเป็นมหาเศรษฐีเป็นคนธรรมดาเป็นคนขอทานเหล่านี้จะเป็นเรื่องของสมมุติยมกันจะเห็นว่าเป็นเหมือนกันทุกคน กอดแก่เจ็บตายเหมือนกันมีอาการ32เหมือนกันมาจากดินน้ำลมไฟเหมือนกันก็จะทำให้คลายความหลงคลายความยึดติดในร่างกายได้ทั้งของตนและของผู้อื่นและดู้ล่วงหน้าไว้แล้วว่าในที่สุดร่างกายของตนและของผู้อื่นก็จ้อง กลับคืนสู่สภาพเดิมก็คืนสู่ดินน้ำลมฝายไปอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องมีเวลาและมีความสงบไม่มีเรื่องราวต่างๆมารบกวนจะได้เห็นความจริงที่แท้จริงของร่างกายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา อั น, นิจําก็คือมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานับตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่จนถึงวันสิ้นสุดของชีวิตมีการเจริญเติบโตมีการเสื่อมมีการแก่ลงไปมีการเจ็บไข้ได้ป่วยมีการตายไปในที่สุดไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตาม เป็นเหมือนกันหมดนี่คือธรรมชาติของร่างกายที่ไม่ได้เป็นของไข่ทั้งนั้นดวงวิญญาณหรือดวงจิตดวงใจที่มาครอบครองหรือมาอาศัยร่างกายนี้อยู่ก็ไม่สามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงความจริงอันนี้ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นดว ง, ดวงจิตดวงใจที่มีพาราณาุภาพ อย่างของพระพุทธเจ้าก็ไม่สามารถที่จะมาห้ามความจริงมาเปลี่ยนความจริงของร่างกายได้ไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหันต์เป็นพระอ า, า ร, ร, อาอรยบุคคลขั้นไหนก็ตามหรือเป็นพระมหาจากักรพรรดิพระมหากษัตริย์เป็นมหาเศรษฐีเป็นใครที่มีอำนาจวาสนาใหญ่ยยโตขนาดไหน ก็ไม่มีใครที่จะมาเปลี่ยนความจริงของร่างกายนี้ได้เปลี่ยนให้เป็นจากอนิจจังเป็นนิจจังเปลี่ยนจากทุกขังให้เป็นสุขขังเปลี่ยนจากอนัตตาให้เป็นอัตตาเปลี่ยนไม่ได้นอกจากความหลงที่หลอกให้คิดว่าเป็นอย่างนั้นเท่านั้นเองถ้าไม่ได้เจริญปัญญาไม่ได้พิจารณาไตรลักณ ก็จะมองเห็นร่างกายว่าเป็นนิจจังสุขขังหัดตาคือจะเห็นว่าร่างกายนี้จะอยู่ไปนานๆไม่เคยคิดเลยว่าร่างกายนี้จะต้องแก่ลงไปเจ็บไข้ได้ป่วยและตายไปในที่สุดพอเวลาเจอความจริงเข้าก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเหมือนกับว่าไม่รู้มาก่อนอย่างนั้น เวลามองเห็นหน้าตาของตนรูปร่างแก่ลงไปนี้ก็เกิดความตกใจเวลาเห็นตนเองเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดความทุกข์ใจเวลาเห็นที่ตนเองจะต้องตายไปก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาเหมือนกับว่าไม่รู้มาก่อนแต่ถ้าได้เจริญปัญญาอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่อง ความจริงอันนี้จะฝังอยู่ในใจตลอดเวลาจะไม่หลงไม่ลืมเหมือนกับไม่ลืมชื่อของตนเองมีใครบ้างที่ลืมชื่อของตนเองเวลาใครก็ถามคุณชื่ออะไรนามสกุลอะไรตอบได้ทันทีแต่เวลาถามว่าแล้วร่างกายของคุณเป็นอย่างไรตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ออกไม่รู้ว่าจะตอบอย่างไร ไม่สามารถตอบว่ามันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้เพราะมันไม่มีอยู่ในสามัญสำนึกของใจนั่นเองใจไม่เคยปลูกฝังความรู้สึกนึกคิดอันนี้ไว้ในใจมันจึงเหมือนกับว่ามันไม่มีอยู่ในใจมีก็มีน้อยมากนานๆจะนึกถึงสักครั้งหนึ่งเช่นเวลาไปเจอคนแก่หรือเวลาไปเจอคนเจ็บไข้ได้ป่วย หรือไปงานศพถึงขน้นบางทีก็ไม่ยอมเไม่ได้ย้อนกลับมาหาตนเองเห็นก็เห็นอย่างนั้นในลักษณะแบบเห็นแบบทัพพีในหม้อกแกงเห็นแล้วไม่มีความรู้สึกได้สัมผัสกับความจริงเหล่านั้นเหมือนกับทัพพีที่ไม่รู้จักรสชาติของแกงเป็นอย่างใดผู้ที่เห็นคนแก่เห็นคนเจ็บไา้ได้ป่วย เห็นคนตายแล้วไม่ได้ย้อนกลับเข้ามาเห็นในตัวของตนเองก็เป็นแบบนั้นเห็นแล้วก็ไม่รู้ว่าตนเองก็จะต้องแก่ตนเองก็จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยตนเองก็จะต้องตายก็ยังเห็นว่าเป็นนิจจังอยู่ยังเห็นว่ายังจะอยู่ยังนี้ไปเรื่อยๆยังไม่เจ็บไข้ได้ป่วยยังไม่แก่ยังไม่ตาย พอต้องมาสัมผัสกับความจริงนี้ใจถึงกับล่มสลายไปเลยอย่างเมื่อวานนี้ก็มีมีผู้หนึ่งได้มาขอธรรมะเพราะว่าตอนเองเป็นโครคภัยไข้เจ็บที่ถึงแก่ความตายได้แต่ไม่สามารถทำใจได้มีความทุกข์ใจมาก ทั้งๆ ท, ที่ได้ยินได้ฟังก็ทำคาสอนของครูบาอาจารย์อย่างสม่าเสมอแต่ไม่เคยน้อมเอาเข้ามาคิดว่าจะเป็นกับตนเองเลยเพอถึงเวลาที่เกิดขึ้นกับตนเองนี้ใจรับไม่ได้แล้วก็ไม่รู้จักวิธีที่จะทำให้ใจรับให้ได้ใจคิดถึงเรื่องของความตายทีไรก็ เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาอย่างมากจนไม่สามารถที่จะทำอะไรได้อย่างปกติอันนี้เป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาความเป็นจริงของร่างกายไว้ก่อนพอเวลาเข้าห้องสอบก็จะไม่สามารถทำข้อสอบได้ถ้าทำการบ้านไว้ก่อน พิจารณาอยู่เนืองๆไว้ก่อนว่าร่างกายนี้เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเป็นธรรมดาร่างกายนี้เป็นอนัตตาไม่มีตัวตนไม่มีเราอยู่ในร่างกายมีเพียงอาการสาสบสองที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไป ถ้าไม่ได้พิจรารณาไม่เห็นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วจะต้องตายไปเวลานั้นก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาท่านึงบอกว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่สําหรับผู้ที่พิจารณาอยู่เนืองๆจนไม่หลงไม่ลืมเตรียมพร้อมที่จะรับกับความแก่พร้อมที่จะรับกับความเจ็บไข้ได้ป่วย พร้อมที่จะรับกับความตายเพราะรู้ว่าสิ่งที่จะต้องป่วยสิ่งที่จะต้องแก่สิ่งที่จะต้องตายนี้ไม่ได้เป็นตนเองเป็นเพียงร่างกายหรืออาการสามสิบสองนี้เท่านั้นตนนั้นคือใจไม่ได้เป็นอะไรก็ไปกับร่างกายถ้าอยากจะเห็นชัดว่าตนคือใจกับร่างกายนี้ เป็นคนละคนกันเป็นคนละส่วนกันก็ต้องบำเพ็ญจิตตภาวนาเจริญสติให้มากทำใจรวมให้เป็นหนึ่งให้ได้เพราะเวลาใจรวมเป็นหนึ่งใจจะแยกออกจากร่างกายชั่วคราวบางทีร่างกายก็หายไปจากการรับรู้ของใจเลยการนี้เรารับรู้อยู่ว่าเรามีร่างกายแต่เวลาเราภาวนา ทำใจให้สงบเวลาใจรวมลงถ้ารวมลงนึกมากร่างกายก็จะหายไปจากการรับรู้เหลือแต่ใจผู้รู้อยู่ตัวเดียวก็วจะรู้ว่าผู้รู้นี้ไม่ได้เป็นร่างกายแต่ผู้รู้นี่แหละที่ไปวุ่นวายกับร่างกายเพราะขาดปัญญาถูกอำนาจของความหลงครอบงำหลอกให้ไปคิดว่าเป็นร่างกาย เพราะตั้งแต่เกิดมาก็ไม่เคยแยกออกจากกันอยู่กันมาตลอดตั้งแต่คลอดออกมาจากท้องแม่ก็เลยคิดว่าร่างกายกับใจนี้เป็นส่วนเดียวกันพอร่างกายเป็นอะไรใจก็เกิดความวุ่นวายเกิดความเดือดร้อนขึ้นมาทันทีเพราะไม่มีความรู้สึกนึกคิดอยู่ภายในใจเลยว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเรา เพราะถูกความหลงหลอกให้คิดอยู่ว่าเป็นตัวเราของเราอยู่ตลอดเวลาพอร่างกายเป็นอะไรเป็นเวลาที่จะต้องพัดพากจากกันก็คิดว่าตนเองจะต้องตายไปกับร่างกายด้วยแต่พอมานั่งสมาธิจิตรวมร่างกายหายไปเราไม่หายเนี่ยเราก็ยังอยู่เราที่รู้นี่เรายังอยู่เรากลับสบายกว่า ซ่ตอนที่มีร่างกายซึ่งเองแล้ววันยี้จะไปกลัวตายทําไมไปเสียดายร่างกายทาไมมีร่างกายแล้วมันทุกข์ไม่มีร่างกายมันสบายกว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เราไม่องไม่เห็นกันถ้าเราพิจารณาเห็นตายลักในร่างกายแล้วตัดอุ ป, ปทานความยึดมั่นถือมั่นในร่างกายได้ปล่อยให้ร่างกาย <c oughs> มันตายได้ ใจนี้จะสงบใจจะเย็นจะสบายเหมือนกับ <c oughs> ยกภูเขาออกจากอกเวลามีร่างกายนี้มันหนักอกหนักใจเวลาที่มันเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่มันหิวเวลาที่มันทุกเอเวลาที่มันจะตายนี่มันเป็นเหมือนภูเขาเอบีบดคั้นจิตใจทําให้หนักอกหนักใจทรมานทุกทรมานใจ เพราไม่รู้จักยกภูเขาอันนี้ให้ออกจาก อ, อกชอบแบกมันไม่มีใครบังคับไม่มีใครเปืนมาจาะบังคับให้แบกร่างกายนี้หนักแสนหนักยังไงก็ยังแบกกันอยู่อย่างนั้นเพราะ อ, อํานาจของความหลงมันครอบงำจิตใจหลอกให้คิดว่าเป็นของตนเป็นสมบัติอันมีค่าอย่างยิ่งเพราะต้องอาศัยร่างกายนี้ เป็นเครื่องมือในการหาความสุขต่างๆนี้เองทุกวันนี้ใจที่มีความหลงนี้ถูกหลอกให้ใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายกันถึงยังมีความสุขอยู่บ้างพอฮะทำให้อยากจะอยู่แต่ไม่เห็นเวลาที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือได้ว่ามันทุกข์ขนาดไหนกัน ถึง เ, เวลานั้นก็จะถึงกับเสียสติข่าตัวตายไปก็มีเพราะทนอยู่กับสภาพที่ไม่สามารถใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขได้อันนี้เป็นเพราะว่าถูกกำรงาจของความหลงครอบงำจิตใจไม่มีปัญญาไม่มีสัมมาทิติไม่มีเวลาที่จะปีกวิเวกออกไปภาวนา เพื่อที่จะทำใจให้สงบแยกใจออกจากร่างกายพอแยกได้แล้วเวลาออกจากสมาธิร่างกายกับใจจะกลับเข้ามารวมกันตอนนั้นก็ต้องใช้การพิจารณาอย่างเนืองๆคอยเตือนใจอยู่เรื่อยๆว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราของเราร่างกายนี้จะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้เป็นเพียงอาการสามสิบสอง ที่จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปในที่สุดต้องสอนอยู่เรื่อยๆเตือนใจไว้แล้วก็รอเหตุการณ์ที่จะท้าทายต่อการปล่อยวางเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาไปพบแพทย์แล้วแพทย์บอกว่าร่างกายนี้เป็นโรคที่รักษาไม่หาย จะต้องเสียชีวิตภายในเวลาอันสั้นนี้เวลานั้นก็จะได้รู้ว่าจะทำข้อสอบได้หรือไม่ถ้าพิจารณาอย่างเนืองๆจนมีความรู้นี้ฝังอยู่ในใจและเห็นความทุกข์ใจที่เกิดจากความยึดติดในร่างกายนี้ก็จะปล่อย พระรู้ว่าเวลาปล่อยแล้วมันสบายเหมือนกับเวลาเข้าไปในสมาธิเวลาเข้าไปในสมาธินี้ก็เหมือนกับปล่อยวางร่างกายชั่วคราวเพียงแต่ว่าไม่ได้ปล่อยด้วยปัญญาเท่านั้นปล่อยด้วยสติปล่อยด้วยการปฏิกรรมพุทโธหรือปล่อยด้วยการดูลมหายใจเข้าออกมันยังไม่สามารถที่จะละอุปทานได้การจะละอุปทาน ตัวที่ผูกมัดใจไว้ให้ติดอยู่กับร่างกาย <c oughs> ก็คือต้องใช้ปัญญาต้องเห็นอ น, นิจจังทุกขังอนาาัตตาต้องเห็นว่าเวลาที่ใจทุกข์ใจเครียดกับร่างกายเพราะไม่ยอมปล่อยให้ร่างกายตายอันนี้จะต้องปัญญาจะบอกว่าต้องปล่อยถ้าไม่อยากจะทุกข์วิธีอยากจะดับทุกข์ก็ต้องปล่อย ก็คือยอมมนะัน่ะมันจะตายก็ให้มันตายไปพอยอมได้เท่านั้นใจก็จะเบาขึ้นมาใจก็จะสงบเย็นใจจะไม่รู้สึกวุ่นวายเดือดร้อนไปกับความเป็นความตายของร่างกายแล้วก็จะไม่เดือดร้อนอีกต่อไปอย่างถาวรเพราะว่าปล่อยด้วยปัญญาเพราอเห็นแล้วว่าไปยึดไปติดกับสิ่งที่เราห้ามไม่ได้ ทามเขาไม่ให้แก่ไม่ให้เจ็บไม่ให้ตายไม่ได้เขาต้องเป็นอย่างนี้พอไปเกิดความอยากขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอันนี้จะเห็นอริยสัจสี่สิ่งที่นักภวนาต้องการให้เห็นก็คือให้เห็นอริยสัจสี่นี้เองเห็นว่าความทุกข์ของตนนี้เกิดจากความอยากให้สิ่งที่เป็นอนิจจังเป็นอนัตตา ไม่ให้เป็นอนิจจังไม่ให้เป็นอนัตตาเท่านั้นเองคืออยากให้ร่างกายอยู่ต่อไปไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายอยากให้ร่างกายเพราะคิดว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราเป็นของเราแต่พอใช้ปัญญาที่ได้ศึกษาได้พิจารณาอยู่เนืองๆจนเห็นชัดว่ามันไม่ได้เป็นตัวเราของเราก็จะสามารถใช้ปัญญานี้มา ตัดหาความอยากที่สร้างความทุกข์ใจขึ้นมาได้ว่าอามันอยากจะตายก็ให้มันตายไปเราจะไม่ห้ามมันเราจะไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่ตายมันอยากจะเจ็บไข้ได้ป่วยเราก็จะไม่ห้ามมันเราจะไม่อยากไม่ให้มันไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าเราไม่อยากจะทุกข์กับมันอันนี้เมื่อถึงเวลาปฏิบัติจริงๆแล้ว มันจะต้องเห็นการทำงานของมรรคกับมรรคกับตันหาจะต่อสู้กันความอยากกับมรรคือสติปัญญาสติปัญญามากนี้เห็นไตรลักณ์หรือไม่เห็นอนิจจังเห็นอนัตตาหรือไม่เห็นทุกขังหรือไม่ที่เกิดจากความอยากถ้าเห็นรานมันก็จะต้องกำจัดความอยากเพียงอย่างเดียวเพราะมันรู้ว่ามันไปกำจัดเรื่องความแก่ความเจ็บความตายไม่ได แต่มันกำจัดเรื่องตันหาได้อพอกำจัดเรื่องตันหาได้ความทุกข์ก็หายไปออันนี้ก็บรรลุธรรมขึ้นมามีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาอย่านถ้าใครมาเล่ามาบอกว่าเห็นนู่นเห็นนี่เป็นนู่นเป็นนี่ถามว่าเห็นอะไรเอถ้าเห็นเทวดาเห็นเห็นการรัเลือกชาติก่อนเป็นนู่นเป็นนี่เห็นไปมันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์อะไร เพราะความเห็นเหล่านี้ไม่สามารถที่จะมาดับความทุกข์ภายในใจได้มันต้องเห็นตัณหาว่าเป็นตัวสร้างทุกข์ขึ้นมามันต้องเห็นอนิจจังอนัตตาในสิ่งที่ตนเองกําลังเป็นทุกข์อยู่ว่ามันไม่ใช่ของเราเราจะไปวุ่นวายกับเขาทําไมเราไปสั่งเขาไม่ได้สั่งให้เขาไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ได้ พอเห็นอย่างนี้ก็เรียกว่ามีมรรคมีปัญญาพอมีปัญญาก็จะเห็นโทษของตัณหาความอยากที่กำลังสร้างความทุกข์ให้กับใจก็หยุดความอยากไปปล่อยร่างกายนี้ใครอยากจะเอาไปก็เอาไปใครจะเอาไปวัดเอาไปให้สั ป, ปเหร่อก็ให้เขาเอาไปมันไม่ใช่ของเราไม่ช้าก็เร็วทุกคนก็ต้องไปที่วัดด้วยกันไปหาสั ป, ปเหรอด้วยกันทุกคน เราอยังไปเสียดายไปหวงมันไว้ทําไมเวลาเสียดายเวลาหวงนี่มันเกิดอะไรขึ้นมามันเกิดความสุขหรือเกิดความทุกข์ขึ้นมานี่คือสิ่งที่มันจะปรากฏให้เห็นเวลาที่ต้องเผชิญกับความจริงของร่างกายเราจึงต้องพิจารณาความจริงของร่างกายไว้ล่วงหน้าก่อนไว้ให้มันมีอยู่ในใจของเราตลอดเวลาแล้วก็ซ้อมปล่อยมันอยู่ตลอดเวลา ไม่ไปวุ่นวายไม่ไปกังวลกับมันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยที่ยังไม่ถึงกับต้องตายก็อย่าไปวุ่นวายกับมันลองทำใจให้เฉยๆก่อนที่จะไปรักษานี่รักษาใจก่อนได้ไหมก่อนที่จะวิ่งเข้าหาหมอเข้าหาโรงพยาบาลนี้รักษาใจให้สงบให้ปล่อยวางความเจ็บไข้ได้ป่วยนี้ก่อนได้ไหมแล้วค่อยไปรักษา คือถ้าปล่อยวางหน้าคือมันจะหายก็หายมันไม่หายก็อยู่กว่มันไปอยู่กว่มันไปแล้วค่อยไปรักษาส่วนใยญ่มันไม่เป็นอย่างนั้นพอมันเป็นอะไรหน่อยขึ้นมามันวิ่งหาอยู่หายาหาหมอหาโรงพยาบาลวุ่นกันไปหมดมันต้องหัดจะอยู่ไปปีกเว่ยๆอยู่คนเดียวเวลามันปวดท้องปวดหัวปวดอะไรตามร่างกายต่างๆแล้วมันไม่มีอยู่ไม่มียาไม่มีหมอนี่ มันจะได้รักษาใจไม่ต้องไปห่วงเรื่องร่างกายเนยคนที่ไปปริกวิเวก็ต้องการไปจะไปหาเหตุการณ์อย่างนี้เพื่อที่จะไปรักษาใจไม่ได้ต้องการจะไปรักษาร่างกายเพราะร่างกายนี้รักษาอย่างไรมันก็รักษาไม่หายหรอกมันหายก็หายชั่วคราวแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่จนกว่ามันจะตายไปมันถึงจะหายอย่างถาวร น, นี่คือการไปปิกวิเวก คือผู้ที่ไปต้องพร้อมมีหลักมีเกณฑ์มีหลักทำอย่างน้อยจิตก็ต้องมีสมาธิมีปัญญาในระดับจินตามยะปัญญาคือสามารถค่คยรพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่ำเสมอจนมีฝังอยู่ในหัวใจพอเวลาเกิดเหตุการณ์จริงขึ้นมาก็จะสามารถชักออกมาสู้กับตันหากิเลน กิเลสตัณหาได้ทนท่วงทีเพราะตอนนั้นพึ่งอะไรไม่ได้พึ่งใครไม่ได้อยู่คนเดียวอัตตาหิอัตนโนนาโถไม่ต้องพึ่งใครก็แล้วก็พึ่งไม่ได้ต่อให้มีหมอมีเทวดามีอยู่มียามีอะไรมามันก็รักษาใจเราไม่ได้รักษาได้ก็เพียงแต่ร่างกายก็รักษาได้ชั่วข้าวหายวันนี้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็กลับมาเป็นใหม่ แต่สิ่งที่เราต้องการรักษาไม่ใช่ร่างกายสิ่งที่เราต้องการรักษาคือใจรักษาใจาให้หายจากโรคของความทุกข์ที่เกิดจากตันหาความอยากที่เกิดจากความหลงอาวิชาความขาดปัญญาขาดสัมมาทิฏฐิกาดความรู้แจ้งเห็นจริงในสภาวะธรรมทั้งหลายว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี้นี่เอง อันนี้แหละคือเรื่องของการที่จะต้องไปปีกเว้ยเพราะจะได้เจริญปัญญาสลับกับการนั่งสมาธิได้อย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมอไม่มีภารกิจไม่มีเรื่องราวต่างๆมารบกวนใจมาดึงใจให้ออกไปจากการภาวนาถ้าทำอย่างนี้ได้ต่อเนื่องปัญญามันจะเกาะติดอยู่กับใจไปตลอดเวลา มองอะไรมันจะเห็นเป็นไตรลักษณ์ไปหมดเห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปหมดมันก็จะปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดมันก็จะปล่อยได้หมดปล่อยได้หมดแล้วมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีความทุกข์อีกต่อไปอยู่อย่างสบายทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นเหมือนเดิมแต่สิ่งที่ไม่เหมือนเดิมก็คือใจเพียงดวงเดียวนี้ ร่างกายก็ยังเหมือนเดิมยังแก่เจ็บตายเหมือนเดิมยังเป็นดินน้ำลมไฟเหมือนเดิมยังเป็นอาการสามสิบสองเหมือนเดิมแต่ใจไม่ทุกข์กับร่างกายร่างกายของคนอื่นก็ไม่มีการอารมณ์พราะพิจารณาเห็นเป็นซากศพ บ, บ้างเห็นเป็นอาการสามสิบสองบ้างเห็นส่วนที่ไม่สวยไม่งามอยู่ตลอดเวลาเวลาเห็นส่วนที่ไม่สวยงามการอารมณ์มันจะเกิดขึ้นมาได้อย่างไง การมาลมมันจะเกิดก็ต่อเมื่อไปเห็นส่วนที่สวยงามถ้าอยากจะดับการมาล ม, มก็ต้องหมั่นพิจารณาส่วนที่ไม่สวยงามของร่างกายส่วนที่น่ารังเกียจขยะขยงั้เวลาเห็นแล้วมันเกิดการมาลมขึ้นมาหรือเปล่าอันนี้แหละต้องพยายามให้มันมีฝังอยู่ในใจเวลาเกิดการมารมมันจะได้ใช้ไอตัวนี้มาดับมัน การอารมณ์ก็เป็นตัญหาอีกแบบหนึ่งที่ต้องใช้อสุภะโดยเฉพาะไว้สาหรับใช้ในการดับการอารมณ์จะเรียกว่าเป็น น, นันทจังก็ได้เห็นร่างกายเวลาแก่บ้างว่าเป็นอย่างไรเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นอย่างไรเวลาตายเป็นอย่างไรน้าดูไหมหน่ารักน่าชมัหมอันนี้ ที่น่าดูน่าชมเพราะเพราะเกิดจากการเสรมสวยเจา ก, การปรุงแต่งเท่านั้นเองถ้าร่างกายไม่ได้รับการเสรมสวยปรุงแต่งเช่นเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยผมเผ่าไม่ได้รับวมีหน้าตาไม่สดชื่นเบิกบานดูแล้วเกิดอาการอารมหรือเปล่าแล้วดูเวลาที่ตายไปนี่ไปดูคนตายไปรดน้ำศพดูแล้วเกิดการอามขึ้นมาหรือเปล่า อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนสั่งให้พระรูปหนึ่งที่มีปัญหาเรื่องการอารมณ์นี้ให้ไปดูศพของนางโสเพณีที่มีชื่อเสียงมากว่าเป็นคนที่มีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามมากพอดีเธอเสียชีวิตไปพระอาจ้าก็เลยบอกให้ไปดูนางโสเพณีคนนี้พอไปดูศพของเธอก็บรรลุขึ้นมาดับการอารมณ์ได้อันนี้ก็เป็นสิ่งที่ต้อง ปฏิบัติต้องเจริญถ้าอยากที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องเรื่องของร่างกายของผู้อื่นถ้าเห็นว่าผู้อื่นนี้เป็นซากศพตลอดเวลาเห็นเห็นเป็นคนแก่เห็นเป็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยตลอดเวลามันก็จะไม่มีการมาหลง ม, มันก็ไม่ต้องมันก็ไม่ต้องไปมีคู่ครอง ไม่ต้องไปทุกข์กับการมีคู่ครองทุกข์กับการมีครอบครัวทุกข์กับการเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานทุกข์กับการทะเลาะเบาะแวงกับคู่ครองของตนทุกข์กับการต้องอย่าร่างกันนี่คือความทุกข์ที่เกิดจากการมาลงถ้าดับการมาลงได้ก็อยู่คนเดียวได้สบายไม่มีความรู้สึกว่าเวเศร้าซ้อยง่อยเหงา กับลาคาญเวลาจะต้องอยู่กับคนอื่นเพราะเวลาอยู่กับคนอื่นแล้วมันมาทําลายความสงบวิเวกของใจเวลาอยู่คนเดียวนี่ใจสงบสงัดวิเวกสบายอกสบายใจไม่มีเรื่องไม่มีราวอะไรให้มาต้องคิดต้องแบกต้องหามแต่พออยู่ใกล้กับคนนั้นคนนี้มันก็เกิดการปรุงแต่งขึ้นมาเกิดการรับรู้ถึงสภาพของ คนนั้นคนนี้ว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็เกิดปัญหาความอยากขึ้นมาอยากให้เขาไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้บ้างอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้บ้างก็เกิดความวุ่นวายใจเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาสู้อยู่คนเดียวไม่ได้แต่ที่อยู่คนเดียวไม่ได้ก็เพราะสู้การมาลไม่ได้เพราะไม่มีอาวุธไม่มีอาสุภะ เหตุที่ไม่มีอสุภะเพราะว่าถ้าใจไม่สงบนี่จะรี อ, อสุภะไม่ได้กิเลสมันจะต่อต้านมันจะไม่อยากดูจะไม่อยากดูคนแก่ไม่อยากดูคนเจ็บไข้ได้ป่วยไม่อยากจะดูคนตายถ้าอยากฝันนี้หนังสือนิตยสารต่างๆนี้มีจะมีแต่ภาพของคนแก่คนเจ็บคนตายม่มีแตข่ของคนหนุ่มคนสาวคนรูปหล่อคนหน้าตาสวยงาม แต่ไม่เห็นมีภาพของคนแก่คนเจ็บคนตายไม่มีนิตยสาราที่ขายเกี่ยวกับเรื่องคนแก่คนเจ็บคนตายกันเพราะจิตใจของคนที่ซื้อนิตยสารเหล่านี้ไม่ชอบซื้อสินค้าแบบนี้นั่นเองนํามาขายกระเจงทั้นนั้น <c oughs> จึงไม่มีคนซื้อจึงไม่มีคนผลิตสิ่งเหล่านี้ออกมาขายกันเพราะ คนที่จะซื้อสิ่งเหล่านี้จิตใจไม่มีสมาธิไม่มีความสงบถูกครอบงาด้วยกามาตัญหาอยากจะดูแต่ภาพสวยๆงามๆดูแล้วเกิดอารมณ์ดูแล้วเกิดความอยากแล้วก็จะได้ไปเสพเสพแล้วก็มีความรู้สึกว่ามีความสุขอันนี้จึงไม่มีใครอยากจะพิจารณา อาสุภาษากันต้องมีสมาธิก่อนท่านถึงบอกไงว่าปัญญานี้ก่อนจะเป็นปัญญาได้ต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถ้าไม่มีสมาธิแล้วไม่มีไม่มีทางที่จะพิจารณาเรื่องคนแก่คนเจ็ดคนตายได้เพราะไม่ชอบดูกันไม่ชอบคิดถึงเรื่องราวเหล่านี้กันขนาดมาฟังเทศฟังธรรมอยู่อย่างบ่อย เวลาไปแล้วก็ลืมหมดเลยเรื่องการพิจารณาเรื่องความแก่ความเจ็บความตายกันเพราะว่าใจที่ไม่สงบนี้มันมันถูกอานาจของกิเลสบังคับไว้ไม่ให้คิดไม่ให้ชอบแต่เวลาทำใจให้สงบนี้กิเลสเหมือนกับถูกฉีดยาสลบถูกดมยาสลบเหมือนกับคนไข้เวลาจะต้องผ่าตัด หมอต้องดมยาสลบก่อนถ้าไม่ดมยาสลบลองไปผ่าดูนี่ลองไปตีดท้องดูมันจะสะดุ้งขึ้นมาเต้นหมอก็ทำอะไรไม่ได้ต้องดมยาสลบให้คนไข้ไม่มีปฏิกิริยาตอบโต้ก่อนแล้วถึงจะค่อยผ่าอยาในาใดใจก็เหมือนกันถ้าใจไม่มีสมาธิไม่มียาสลบนี่มันจะไม่ยอมคิดไปทางปัญญา จะไม่ชอบพิจารณาอนิจจงทุกขังอนัตตาจะไม่ชอบพิจารณาอสุภะเมื่อไม่พิจารณามันก็ไม่เห็นมันไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับเรื่องราวเหล่านี้อยู่ภายในใจมันจะรู้สึกนึกคิดแต่เรื่องสวยๆงามๆเรื่องที่อ่ดีๆต่างๆแต่ไม่ยอมมองส่วนที่ไม่ดีเพราะไม่ชอบมองกันเพราะถูกอานาจของความไม่ชอบคือกิเลสนี้ กันเอาไว้ไม่ให้มองแต่เวลาทําใจให้สงบแล้วความชอบไม่ชอบนี้จะหายไปชั่วคราวเหมือนกับถูกฉีดยาสลบพอออกจากสมาธิใหม่ๆความชอบไม่ชอบนี้ยังไม่โผล่ขึ้นมาเวลานั้นก็เป็นเวลาที่จะสามารถเจริญปัญญาได้สามารถพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาได้สามารถพิจารณาอสุภะได้แต่ถ้า พิจารณาไปสักระยะหนึ่งแล้วกำลังของสมาธิหมดไปเหมือนกับฤทธิ์ของยาสลบหมดไปคนไข้เริ่มขยับแล้วหมอก็ต้องสั่งว่าให้ดมยาต่อไม่งั้นเดี๋ยวทำไม่ได้คนดมยาถึงต้อ ง, องคอยเข้าดูคนไข้ยอยู่ตลอดเลยะเวลาหมอผ่านี้คนดมยานีต้องคอยดูว่านิ่งหรือไม่นิ่งพอเริ่มขยับแล้วนี่แสดงว่ายามันน้อยไปแล้วต้องเพิ่มยา นันใดเวลาพิจารณาทางปัญญาไปได้สักพักหนึ่งแล้วมันเริ่มไม่ยอมคิดแล้วมันนั่งไปคิดเรื่องสวยๆงามๆเรื่องนู้นเรื่องนี้นนแล้วก็แสดงว่าฤทธยาฤทธิ์ของสมาธิหมดแล้วพิจารณาไปก็ไม่ไม่เห็นตายลักนะไม่เห็นอสุภะแล้วถ้าไม่เห็นแล้วก็ควรที่จะหยุดแล้วก็กลับไปเข้าไปในสมาธิไปเติมยาฉีดยาสรุปให้กับความรักความ ชังต่อไปให้มันสงบตัวลงเพื่อมันจะได้ไม่ไม่รักไม่ชังให้มันเป็นอุเบกขาเฉยๆเป็นกลางเพื่อมันจะได้พิจารณาความจริงของร่างกายได้ต่อไปหรือความจริงของเรื่องอย่างอื่นก็ได้ถ้าเรายังติดอยู่เรื่องใดก็ตามต้องพิจารณาเรื่องนั้นเพราะมันเป็นเหมือนกันหมดมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกันหมด ไม่ว่าจะเป็นลาบยศสารเสริญไม่ว่าจะเป็นร่างกายของเราก็ดีหรือร่างกายของคนอื่นก็ดีไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสปวดท่าพระต่างๆก็ดีมันเป็นตายรักทั้งหมดเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งหมดแต่ถ้ามันไม่มีสมาธิไม่มีโอเบขามันไม่พิ จ, จารณามันจะคิดจานาแต่ปัญหาคิดถึงตู้เย็นคิดถึงจอโทรทัศน์ คิดถึงขนมนมเนยคิดถึงเครื่องดื่มต่างๆมันจะไปตามไปทางความอยากเสมอต้องให้จิตสงบเป็นอุเบกขาแล้วมันจะเฉยๆพอมันเฉยๆเป็นกลางเราก็ดึงมันไปคิดในทางปัญญาเสียถ้าไม่ดึงมันไปมันก็จะอยู่เฉยๆถ้าอย่างนี้ก็เรียกว่าจะติดสมาธิได้ถ้าออกจากสมาธิแล้วไม่พิ จ, จารณาอยู่เฉยๆมีความสุข แต่นี่เป็นการประมาทเพราะเป็นความสุขชั่วคราวเดี๋ยวพอกาลังสมาธิหมดมันตัณหาก็จะออกมาแล้วก็จะสู้มันไม่ได้นี่เขาเรียว่าติดสมาธิหรือไม่ติดสมาธิอยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่เวลามีสมาธิแล้วมีอุบเบกขาแล้วเอาไปใช้ในทางปัญญาหรือไม่รือหรื อ, อยู่เฉยๆอยู่กับอุบเบกขาไปเฉยๆอาจจะคิดว่ากิเลสหมดแล้วก็ได้ คิดว่าหลดพ้นแล้วก็ได้เพราะมันก็เป็นเหมือนกับการหลุดพ้นแต่เป็นการหลุดพ้นชั่วคราวเท่านั้นพอกาลังของสมาธิหมดกิเลสตัณหาก็จะโผล่ออกมาอย่างที่มีนิทานที่นิยมเล่ากันเคยได้ยินไม้มที่เรื่องพระอาหารหันต์ลูกวีดมีพระท่านไปด้วดงกันสองสามลูปเวาท่านไปนั่งภาวนาท่านก็ยากกันนั่งแต่ท่านก็ บอกว่าถ้ามีภัยอะไรเกิดขึ้นมาให้ส่งสัญญาณพระรูปหนึ่งท่านก็มีลูกหวีนกหวีดไม่ใช่รกหวีดนกหวีดไว้เป่าพอแยากกันไม่นั่งภาวนาสักพักหนึ่งก็ได้ยินที่สองรูปก็ได้ยินเสียงนกหวีดเป่ากันเหรอเขาวิ่งไปหาว่าเป็นอะไรถ้าบอกให้มันตายหมดลเลยตัณหาไม่รู้มันหายไปไหนหมดจิตท่านสงบก้าวสมาธิได้ เะมันหายแล้วเหรอมันตายแล้ ว, ลวก็ดีเด้อมันตายแล้วจะเจอต้องมาเป่านูกหวีทําไมก็มันตื่นเต้นหน <c oughs> ่อโอเคงั้นก็ถ้าคุณถ้าท่านปลอดภัยก็พวกเราก็สบายใจแล้วพวกเรานี่ยังไม่ตายกิเลสเรายังไม่ตายขอกลับไปฆ่ามันก่อนง <c oughs> ั้นก็กลับไปนั่งภาวนาอีกสักพักหนึ่งอาบเป่านูกหวีนะอทบนี้อะไรมันตายเหรอเมื่อกี้บอกมันตายหมดแล้วนี่ พอไปถามว่าอตอนนี้อะไรตายอ่ะไอ้ที่ว่ามันตายนี้มันกลับมาอีกแล้วท่านทั้งเรียกว่าพระอาหารนตลูกวินกุยนะนั้นเวลาจิตสงบนี้ไม่เหมือนกับบรรลุแล้วบรรลุแต่มันบรรลุชั่วข่าวจิตสงบนี้มันจะสงบได้สักระยะหนึ่งกิเลสตัณหาก็หายไปหมดแต่พอสักพักหนึ่ง พอกำลังของสมาธิหมดมันก็จะเริ่มผูกขึ้นมาเหมือนกับน้ำเย็นที่เราเอาออกจากตูญเย็นใหม่ๆนี้มันเย็นเฉียบเลยก็คิดว่ามันจะเย็นเฉียบงนี้ไปตลอดแต่ทิ้งไว้สักระยะหนึ่งก็เดี๋ยวมันก็หายไปอันนี้ก็เหมือนกันใจที่ออกจากสมาธิใหม่ๆนี้มันเหมือนกับเพิ่งออกมาจากพระ น, นิพพานกิเลสตัณหาไม่มีลอยู่ภายในใจเลย ก็อาจจะคิดว่าตอนเองบรรลุแล้วก็ได้ก็เลยไม่จําเป็นจะต้องพิจารณาปัญญาให้มันเสียเวลาไปเปล่าๆต่ เ, เมื่อมันไม่มีกิเลสให้พิจารณาไม่ต้องต่อสู้แต่ไม่รู้ว่ามันเพียงแต่สงบตัวชั่วคราวเพราะกํำลังอํานาจของสมาธินี้ไม่สามารถถอดถอนว่าคนของปัญหากิเลสได้เพียงแต่เป็นเหมือนกับหินทับยญ้าเท่านั้น ถ้าเวลายกหินออกเดี๋ยวหญ้ามันก็โผล่ขึ้นมาได้หินก็คือสมาธิกําลังของสมาธิพอกําลังของสมาธิหมดไปกิเลสมันก็จะโผล่ขึ้นมาถ้ายังมีกิเลสอยู่ถ้ายังไม่ได้ใช้ปัญญาถอดถอนถ้ายังไม่เห็นตายลักยังไม่เห็นอสุภะนี่มันไม่ตายกิเลสตัณหาต่างๆมันไม่ตายมันจะต้องตายด้วยปัญญามันจะต้องเห็นอริยสัจเห็นทุกขสัจ ที่เกิดจากสมุทัยสัตว์คือตัณหาความอยากเห็นนี่โลดประสัตที่เกิดจากการเจริญของมรรคคือปัญญาเห็นไตรลักษณ์เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นอสุภะอันนั้นเะมันถึงจะเรียกว่าดับอย่างถาวร น, นี่คือเรื่องของการไปปิดวิเวกเพื่อที่จะได้บําเพ็ญภาวนาอย่างต่อเนื่อง นี่คือสาเหตุที่พระท่านจาลิกกันไปอย่างแท้จริงท่านไปแบบนั้นนตถ้าจ่าลิกไปเพราะว่าเบื่ออยู่กับที่ตรงนี้เราเบื่ออันนี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสไปดังนั้นพระบวชใหม่ท่านจึงถูกบังคับให้อยู่กับครูบาอาจารย์ไปก่อนเพราะว่าเวลาจะไปไหนมาไหนต้องไปกราบขออนุญาตท่านก็จะถามเหตุผล ท่านก็จะรู้ว่ามันเป็นกิเลสหรือมันเป็นธรรมมันก็จะได้มีครูบาอาจารย์คอยกำกับคอยป้องกันไม่ให้ไปทะเลทลายไปเที่ยวเพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรอาจจะคลายความอึดอัดที่จะต้องถูกขังอยู่ในกรงพอได้ออกไปนอกวัดก็รู้สึกสดชื่นเบิกบานมีชีวิตชีวาขึ้นมา แต่มันมีชีวิตชีวาเพื่อให้ในายพรานยิงตายนั่นเองเหมือนสัตว์ที่ออกจากกรงก็สัตว์ที่อยู่ในคอกแล้วออกไปนอกคอกนอกกรงไปเจอพวกนายพรานเข้าก็ถูกเขายิงตายพวกที่จิตที่ยังไม่มีปัญญาที่จะคุ้มครองตัวเองพอออกไปสัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นโรสผดตระก็จะถูกกามตันหายิงตายวิไม่ดีก็ลาสิกขาลาเพศไปเลย น, นี้ดังนั้นจึงต้องควรอยู่กับครูบาอาจารย์เพราะครูบาอาจารย์ท่านจะรู้ว่าเรามีกําลังพอที่จะไปปีกเวกได้หรื อ, อยังอยู่คนเดียวได้หรื อ, อยังเพราะท่านจะคอยดูกิริยาการของเร า, าเสมอไม่ต้องพูดไม่ต้องถามกันก็นกนได้ทดสอบได้ด้วยการดูกิริยาการหรือถ้าได้พูดได้คุยก็ยิ่งดีจะได้รู้ว่าเป็นอย่างไร นี่คือเรื่องของวันเข้าพรรษาที่มีการห้ามไม่ให้ไปจาล็กตามสถานที่ต่างๆให้อยู่กับที่บําเพ็ญอยู่ตลอดระยะเวลาสมเดือนให้เจริญสมถะและวิปัสสนาภาวนาเดินจทงกรมนั่งสมาธิตามสภาพในช่วงเข้าพรรษานี้ตามวัดตามวาต่างๆที่เป็นวัดปฏิบัติท่านจะงดภารกิจที่ไม่สำคัญต่างๆออกไป เพื่อให้พระได้มีเวลาภาวนากันอย่างเต็มที่เช่นภา ร, ร ก, กิจเรื่องก่อสร้างต่างๆถ้ายังมีการก่อสร้างอยู่พอถึงวันเข้าพรรษาก็จะให้หยุดไม่ให้ทำงานภายนอกให้ทำงานภายในนี่คือเรื่องของวันเข้าพรรษาที่ได้นําเอามาเล่าสู่กันฟังพอให้มีความรู้ ความฉลาดความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของพระพุทธศาสนาเพื่อจะได้นำเอาไปใช้ให้เป็นประโยชน์ต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พอ่อนยะถ า, าวาริวาหาปุราภาริปโเรนติสขาขารัง เอวเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปการปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดป้าเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกป่าจันโทปนะระโสยท้ามณิโชติระโสยทาสพิติโยวิวัจจันตุสภโรโควินัสตุ มาเตภวตวันตรายุสุขีทีคายยโกภวะอภิวาตนะศิริสะนิจจังวุฒาปจายโนจตารุธรรมาวาานติอายุวนสุขังภาลาง อตอนนี้ก็จะเปิดโอากาสให้ท่านที่อยากจะถามปัญหาถ้าท่านอยากจะทราบธรรมะข้อใดก็ขอเชิญขึ้นมาถามที่ข้างบนเพราะมีไมโครโฟนให้ท่านได้ใช้เพราะจะได้ยินเสียงคำถามแลวจะได้ตอบคนฟังที่อื่นก็จะได้รู้ว่าคำถามเป็นอะไรกันถ้ายังไม่มีตอนนี้ก็ให้ทางอินเทอร์เน็ตก่อนก็ได้ ค ร, ครั บ, ค ร, บครับต่อไปเป็นคำถามจากทางเ c e b ุ๊ k พระอาจารย์สุชาติพิชาโตนะครับคำถามข้อแรกจากคุณนาการสิรินะครับการวิปัสสนาใช้คณิกะสมาธิพอไหมครับก็เหมือนให้ยาสลบนิดเดียวคณิกะมันก็เพียงแค่ขณะหนึ่งเท่านั้นเอง คิดว่าคงจะไม่พอคำ น, นิกะนี้มันเป็นเหมือนกับหนังตัวอย่างให้เราได้สัมผัสรับรู้ว่าความสงบนี้เป็นอย่างไรแต่การที่จะเป็นสมาธิที่สนับสนุนการเจริญปัญญานี้ต้องเป็นอัปปนาสมาธิจิตต้องสงบได้ตั้งมั่นได้อยู่ได้เป็นเวลานา น, านเช่นเป็นชั่วโมงเพราะเวลาออกจากสมาธิมามันจะได้ เ, เป็นอุเบกขาได้ยาวนาน และสามารถพิจารณาปัญญาได้อย่างต่อเนื่องถ้าเป็นคณิกะนี่มนันแค่แวบเดียวก็หายไปแล้วเหมือนเหมือนกับฝนตกหยุดสองหยดแล้วก็จางหายไปไม่สามารถทำประโยชน์อะไรให้กับต้นไม้ได้ฝนที่ตกเบาๆเพียงหยุดสองหยดเพียงแต่ทำให้ใบไม้เปียกผิวดินเปียกนิดหน่อยยังลงไปยังลงไปไม่ถึง ร, รากของต้นไม้ ต้องเป็นฝนหนักแบบฝนที่ตกแล้วดินนี่เปียกชุ่มไปหมดนะฮะอย่างนี้ต้นไม้ก็จะได้รับน้ำผ่านทางรากได้ฉะนันการจะพิจารณาทางปัญญาให้ได้อย่างต่อเนื่องให้ได้เป็นระยะเวลายาวนานก็ต้องมีสมาธิ ท, ท, ที่ที่ยาวนานเหมือนกันดงนั้นการทำสมาธิจึงต้องทำให้มากๆก่อนที่จะออกทางปัญญา คณิกะนี้เป็นเพียงระยะแรกแรกที่เราภาวนากันเวลาจิตรวมใหม่ๆจะรวมเดี๋ยวเดียวแป๊บเดียวแล้วก็ถอนออกมาแต่มันจะบอกให้เห็นถึงความวิเศษของความสงบของใจว่าเป็นอย่างไรก็จะทําให้เกิดฉันทะวิริยะเกิดอิทธิบาทสี่ที่อยากจะทําจิตให้สงบไปนานๆอันนี้เป็นหน้าที่ของคณิกะเป็นเหมือนภาพยนตร์ตัวอย่าง เวลาเราไปชมภา พ, พยนตร์ก็มักจะมีภา พ, พยนตร์ตัวอย่างไว้ล่อใจเราให้กลับมาเข้าโรงอีกครั้งถ้าไม่มีภา พ, พยนตร์ตัวอย่างเวลาเอาภา พ, พยนตร์ใหม่มาฉายเราก็จะไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไรเราก็อาจจะไม่สนใจมาดูอันนี้ก็แบบเดียวกันครั้ น, นี้กาสมาธิก็เป็นความสงบชั่วแป๊บเดียวเหมือนกับภา พ, พยนตร์ตัวอย่างเขาฉายให้ดูนิดหน่อยพอให้เกิด ความยินดีความชอบที่อยากจะมาดูคำถามข้อต่อไปจากคุณปีเตอร์มองนะครับการประกอบอาชีพขายอาหารทะเลสดบาปไหมครับกำหนักหรือกำเบาถ้าอาหารทะเลที่เราขายนี่เขาไม่ได้ฆ่าเขาไม่ได้ตายด้วยจากการกระทำของเราด้วยจากการสั่งของเราก็ไม่บาป ถ้าเราฆ่าหรือสั่งเขาก็บาปข้อต่อไปนะครับการนั่งสมาธิโดยบริกรรมพุทธโธจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าหรือพระพุทธรูปหรือเปล่าไม่จำเป็นหรอกให้อยู่กับคำพุทธโธเท่านั้นเองเพราะเป้าหมายก็คือต้องการเอาความคิดปรุงแต่งมาคิดแต่คำว่าพุทธโธพุทธโธ ไม่ให้ไปคิดถึงขนมนมเนยไม่ให้ไปคิดถึงละครไม่ให้ไปคิดถึงสิ่งต่างๆที่จะทําให้ใจเร า, เ, าเกิดความพุ่งสร้างขึ้นมาเราใช้พุทธโธในเวลาบริกา ร, รพุทธโธก็ขอให้เรามีสติรู้อยู่กับคําพุทธโธนี้เท่านั้นเองคําถามข้อต่อไปจากคุณหญิงนะครับขณะที่บริการพุทธโธอยู่หากมีอารมณ์อกุศลเช่น ไม่ชอบการกระทาของเขาหมันไสเขาเป็นต้นเกิดขึ้นมาเพราะเราคิดถึงคนนั้นเรื่องนั้นเช่นนี้จะแก้ไขอย่างไรเพราะว่าเราไม่ได้จดจ่ออยู่กับพุโทโธอย่างจรงิงจังเราพุโทโธไปแล้วเราก็แวบไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็เลยเกิดอารมณ์เหล่านี้ขึ้นมาถ้าเราจดจ่ออยู่กับพุโทโธจรงิงจรงิจรงจงังๆแล้วมันจะไม่สามารถที่จะแวบไปได้ เราอาจจะต้องใช้การบริกรรมให้ถี่ขึ้นให้เร็วขึ้นหรือให้ช้าลงก็ได้วิธีใดก็ได้ที่จะทำให้ใจเราจดจ่ออยู่กับการบริกรรมเพียงอย่างเดียวบางทีถ้าบริกรรมเร็วมันก็อาจจะทำให้เราไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ได้ก็ทำไปอย่างนั้นหรือบางทีบริกรรมช้าแล้วมันจดจ่ออยู่กับการบริกรรมก็ใช้ได้เหมือนกันแต่เราอย่าบริกรรมแบบ ใจลอยปากก็ว่าพิกรรมพุโทโธไปแต่ใจก็ลอยไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ถ้าทาอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าเป็นการเจริญสติไม่ถือว่าเป็นการภาวนาถ้ามีเรื่องเข้ามาแทรกก็แสดงว่าไม่ไม่ได้ภาวนาแล้วพอมาแทรกแล้วก็ไปปุงแต่งเกี่ยวกับเรื่องที่เข้ามามันก็เป็นเรื่องเป็นราวเป็นอารมณ์ตามมาทาอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะสงบได้ การที่จะสงบนี้จะต้องอยู่กับเรื่องเดียวอยู่กับพุโทโธอย่างเดียวอย่างต่อเนื่องถ้าทำได้เพียงห้านาทีจิตก็รวมได้แต่ห้านาทีนี้มันยากเพราะว่าห้าวินาทีมันก็ไปแล้วคำถามข้อต่อไปจากคุณอัมภัยนะครับเรื่องการให้ทาน กับขอทานที่อยู่ตามข้างถนนสะพานลอยทั้งที่อยากให้แต่ก็รู้ว่าคนเหล่านั้นทำกันเป็นมิจฉาชีพและจะทำให้มีการลักเด็กเพื่อไปถูกบังคับใช้งานเราสมควรทำอย่างไรคะและความคิดของเราอย่างนี้เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นมานะเป็นกิเลส ด, ด้วยไหมคะคือถ้าเรารู้อย่างชัดเจนว่าเขาเป็นมิจฉาชีพเราก็ไม่ต้องสนับสนุนเขา เราก็ทําใจเป็นอุเบกขาไปคิดว่าเป็นกรรมของสัตว์เขาทากรรมอันใดไว้เขาก็จะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นการที่เราให้ทานให้การสนับสนุนก็เป็นการส่งเสริมให้เขาทํามิจฉาชีพของเขาอย่างนี้ก็ไม่ควรทําแต่ในกรณีที่เราไม่รู้จริงไม่รู้ชัดว่าเขาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าถ้าเรามีความเมตตาเราก็อาจจะคิดว่า คิดเผื่อไว้ยกประโยชน์ให้กับเขาไปเผื่อเขาไม่ได้เป็นมิจฉาชีเพเผื่อเขาเดือดร้อนจริงๆเราทาแล้วเราก็จะได้สบายใจได้ความสุขใจจะได้ไม่ต้องมาคิดเสียใจในภายหลังว่า เ, เราใจจืดใจดำหรือเปล่าอะไรอย่างนั้นถ้าเราไม่รู้ก็คิดว่าทำไปเหมือนกับเราทำกับสุนัข เห็นสุนักจรจัดมาไม่มีอาหารเราก็ให้อาหารเขากินไปส่วนสุนักตัวนี้จะเคยไปกัดใครมาแล้วหรือจะไปกัดใครต่อมันก็เรื่องกรรมของเขาหมดคถามแล้วพใครอยากจะถามอีกไหม ไม่ไดใครถามแล้วขอถามบ้างเลยไม่เราจะขอถามว่มาไปเที่ยวญี่ปุ่นมาเป็นไงสนุกดีครับ ได้ธรรมะบ้างไหมมีอะไรที่ทําให้กปัญญาบ้างไหมกลับมามีแต่กิเลสครับอาจารย์เพราะว่ากิเลสความอยากให้ให้เขาเราเป็นอย่างเขาความมีระเบียบวินัยอย่างถ้าเกิดว่ามีความคิดนึงถ้าเกิดว่าคนไทยมีระเบียบวินัยมีความอดทนมีความขยันเหมือนคนญี่ปุ่นป่านนี้บรรลุกันไปนานแล้วครับอาจารย์ ก็เป็นอุทาหรณ์เราได้ไปศึกษาอย่างน้อยก็เราก็เอามาใช้กับเราก็ได้คือเราคงจะไม่สามารถทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้อย่างที่ในหลวงทรงตรัสไว้แต่เรามาส่งเสริมคนดีเพื่อให้เขาจะได้มาเป็นผู้นำที่ดีเพื่อที่จะป้องกันคนที่ไม่ดีมาทำความเสียหายเพราะว่าโลกนี้มันก็เป็นโลกของ อันนี้จังมีทั้งคนดีและคนไม่ดีเราจะเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเป็นคนดีได้แต่สิ่งที่เราทําได้ก็คือหนึ่งเราทําตัวเราเองให้เป็นคนดีสองเราสนับสนุนคนที่ดีให้เขาได้ทําความดีอย่างสะดวกสบายให้เขามีกำลังจิตกำลังใจแล้วเขาก็จะได้ทําประโยชน์ให้แก่สังคม แล้วก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีแก่สังคมทำให้สังคมได้ทำตามได้ทาความดีตามอย่างที่เรามีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระองค์ส่งทำความดีกับพระองค์เองแล้วหลังจากนั้นพระองค์ก็ส่งนำเอาความดีมาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่ผู้อื่น และผู้อื่นที่เห็นความดีของพระพุทธเจ้าก็สนับสนุนพระพุทธเจ้าติดตามพระพุทธเจ้าออกบวชตามพระพุทธเจ้ากันโดยทำให้เกิดคนดีขึ้นมาเป็นดอกเห็ดได้ก็ดจากคนคนเดียวเท่านั้นเองดังนั้นเราสามารถเปลี่ยนแปลงโลกนี้ได้แต่เราต้องเปลี่ยนแปลงที่ตัวเราก่อนพอเราเปลี่ยนแปลงตัวเราให้เป็นคนดีให้คนอื่นเขามีศรัทธา มีความเคารพมีความเลื่อมใสแล้วเขาก็จะปฏิบัติตามเองนี่คือเรื่องที่เราควรจะให้ความสำคัญคือทำตัวเราให้เป็นคนดีให้ได้ก่อนการอยากที่จะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้นี่มันเป็นความอยากที่มันเป็นไปไม่ได้แต่การที่ทำให้เราเป็นคนดีนี้จะมีอิทธิพลต่อผู้อื่น แต่ทําให้ผู้อื่นนี้เขาเกิดศรัทธาอยากจะเป็นคนดีเหมือนเรานี่เป็นวิธีที่เราจะเปลี่ยนคนอื่นได้คือต้องมาเปลี่ยนที่ตัวเราพอ เ, าเปลี่ยนที่ตัวเราแล้วเขาเห็นว่าเราดีเขาก็อยากจะเป็นเหมือนเราเขาก็จะปฏิบัติตามเราเอาเราเป็นเยี่ยงอย่างว่าจะเกิดคนดีโผล่ขึ้นมา พอตัวเขาดีคนอื่นที่รู้จักเขาเห็นเขาดีก็เกิดศรัทธาอยากจะเป็นคนดีเหมือนเขาอันนี้มันก็จะเป็นเหมือนลูกโซ่เหมือนระบบขายตรงคนดีคนหนึ่งก็จะผลิตคนดีสิบคนคนดีสิบคนก็จะผลิตคนดีร้อยคนนมันก็จะขยายแผ่ไปเรื่อยๆ เ, เราอย่าไปบังคับคนให้เป็นคนดี อย่าไปจับเขาเข้ามาให้อยู่ในกรอบของความดีทำไม่ได้เพราะคนเราชอบไม่ชอบการถูกบังคับจะต่อต้านทันทีถ้าเราบอกเธ อ, อองงเธอต้องทำอย่างนั้นเธอต้องทำอย่างนี้เขาจะไม่ยอมแต่ถ้าเราไม่บอกเราปล่อยเขาปล่อยเขาตามอธัธยาศัยแล้วให้เขามีโอกาสได้เห็นคนดีให้เห็นผลที่เกิดจากคนดีว่าเป็นอย่างไรเขาก็จะเกิดศรัทธาอยากจะเป็นคนดีขึ้นมาเอง นี่คือวิธีเปลี่ยนคนเปลี่ยนแบบที่พระพุทธเจ้าเปลี่ยนกันเนียพวกเราทุกคนนี้เปลี่ยนกันไหมถามตั้งแต่มาสัมผัสรับรู้กับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเราเปลี่ยนไปหรือเปล่าเพราะอะไรเพราะเราเห็นความดีของพระพุทธเจ้าเห็นผลที่ดีเกิดจากความดีของพระพุทธเจ้าเราก็อยากจะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้ากันอันนี้แหละคือวิธีที่เราจะเปลี่ยนคน ต้องเปลี่ยนจากตัวเราก่อนอ่ถามได้มีถามมาถ้าผิดนะคะถ้าเกิดคิดว่าด้วยด้วยชาตินี้เนี่ยอาจจะเป็นด้วยภาระอะไรหลายๆอย่างอย่าเงี้ยไม่เคยตั้งผังให้ตัวเองไปถึงถึงวิพานหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าตั้งผังไว้ว่าอยากให้ปฏิบตัติปฏิจจชอบ ขอให้ชาติหน้าได้เกิดมาเป็นผู้ชายได้มีกอกาสได้ปวดอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นการตั้งเผาตั้งผังที่ผิดไปเพราะว่าความจริงแล้วเราสามารถที่จะปฏิบัติได้ในชาตินี้และบรรลุได้ในชาตินี้เลยโดยที่ไม่เกี่ยวกับเรื่องของเพศเลยเป็นหญิงหรือเป็นชายนี้ไม่ใช่เป็นอุปสรรคต่อการบำเพ็ญ สิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อความมันเป็นก็หนึ่งคือมิจฉาทิฏฐิความเห็นผิดนะอย่างที่ตอนนี้เห็นผิดว่าเราจะต้องสะสมบารมีเปลี่ยนแเพศก่อนแปลงจากหญิงไปเป็นชายก่อนอันนี้เป็นกลอุบายของกิเลสแท้ๆเลยที่มันพยายามจะหลอกไม่ให้เราได้เข้าสู่การปฏิบัติอย่างจรงิงจังมันจะหลอกว่าเราเป็นผู้หญิงเรามีวาสนาน้อยบารมีน้อย เราทําได้อย่างมากก็แค่บําเพ็ญเพื่อให้ได้ไปเกิดในชาติหน้าแต่เราไม่เคยคิดว่าชาติหน้าเราจะเจอพระพุทธศาสนาหรือเปล่าเราจะได้มาเป็นมนุษย์หรือเปล่าเราไม่คิดถึงหรือเวลาที่เราได้มาเป็นมนุษย์นี้พระพุทธศาสนายังมีหลงเหลืออยู่ในโลกนี้หรือเปล่าถ้าไม่มีเกิดเป็นมนุษย์ก็ไม่มีประโยชน์อะไรเพราะจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติให หลุดพ้นได้ภายในชาตินี้เหมือนกับในชาติปัจจุบันนี้ชาติปัจจุบันนี้เรามีพระพุทธศาสนามีครูมีอาจารย์อยู่ที่เราเท่านั้นเองที่ว่าเราจะทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษากับการปฏิบัติหรือไม่เพราะถ้าเราศึกษาและปฏิบัติได้พระพุทธเจ้าก็ทรงรับรองไว้แล้วว่าไม่เกินเจ็ดปีเป็นอย่างมากก็จะสามารถบรรลุได้อย่างแน่นอน นี่ละคือโอกาสทองของพวกเราแทนที่เราจะฉกฉวยโอกาสทองนี้เรากลับถูกกิเลสหลอกว่าชาตินี้ขอให้บำเพ็ญบารมีไปก่อนถ้าคิดอย่างนี้ก็จะไม่มีวันที่จะสามารถเข้าถึงพันิผ่านได้เพราะกีพบกี่ชาติมันก็จะหลอกเรานี้ไปเรื่อยๆนี่ขนาดเจอพระพุทธศาสนาได้มาเป็นมนุษย์เรายังถูกมันหลอกได้ แล้วถ้าไปเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธศาสนาจะมีใครมาคอยเตือนมาคอยแก้ความเห็นผิดของเรามันก็จะฝังอยู่ในใจดอกเราไปไเรื่อยๆทุกภพทุกชาติว่าเราไม่มีวันไม่มีวาสนาที่จะไปเข้านิพพานได้ความจริงเรามีโอกาสแล้วมีสิทธิ์แล้วถ้าพูดถึงก็เปรียบเทียบก็เราถูกฮอกเตอรี่รางวัลที่หนึ่งแล้วทำไมเราไม่ไปขึ้นรางวัลกัน การมาศึกษาการมาปฏิบัตินี้ก็เหมือนกับการมาขึ้นรางวัลที่หนึ่งของชีวิตก็คือบรรลุถึงพระนิพพานกันสามารถทำได้ถ้าเราปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าสามขั้นตอนนี้เองทำทานไปเรื่อยๆรักษาศีลให้บริสุทธิ์แล้วก็หัดภาวนาหัดเจริญสติตอนต้นมันก็ยากมันก็ล้มลุกโกกามันก็ไม่ค่อยได้ผล แต่ทำไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะได้ผลขึ้นมาตามลําดับเองผลเกิดจากการกระทําความพยายามอยู่ที่ไหนความสําเร็จอยู่ที่นั่นขอให้เราคิดไว้ถึงหลักนี้เสมอแล้วรับรองได้ว่าไม่มีอะไรจะมาเป็นอุปสรรคขวางกัน้นความสําเร็จของเราได้นอกจากความเห็นผิดที่ถูกกิเลสดอกเท่านั้นเอง อาารครับกับสถานการณ์ปัจจุบันครับพระอาจารย์ความเกลียดความอยากให้ผู้อื่นตายสร้างภพภูมิใดครับพระอาจารย์ไม่ใช่ไม่ใช่ตัวผมครับหมายถึงสังคมในปัจจุบันที่ที่มีข่าวอยู่ในขนาดนี้ครับที่ก็ความร้ายความเมตตาก็เหมือนเดรัจฉานนี่ก็เป็นพวกสัตว์ที่จะไปเกิดในอบายทั้งหลายผู้ที่ขาดความเมตต า, ราพระพระเจ้ญญาทรงสอนให้เจริญเมตตาเพราะ อ, อันที่สองของการ จเจรมเมตตาก็คือตายไปแล้วจะไปสู่สุคติถ้าไม่มีความเมตตามีความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทมันก็จะต้องไปอาบายอย่างน้อยก็เป็นเดรัจฉานเดรัจฉานนี่มันจะอาฆาตพยาบาทกันใครทําร้ายมันมันจะต้องทําร้ายตอบโต้ตทันทีแต่เทวดานี่เขามีความเมตตาเขาให้อภัยเขาถือว่ามันเป็นเรื่องของของกรรมไป แล้วเขาก็คนกระทํานั้นเขาก็ต้องรับผลอยู่แล้วโดวยที่เราไม่ต้องไปโกรธไปเกลียดไปอยากให้เขาตายพอถึงเวลาเขาก็จะต้องรับผลของกรรมของเขาอยู่แล้วอยู่ดีเราไม่ต้องไปโกรธเกลียดเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเราตกต่ําไปโดยเปล่าประโยชน์ดังนั้นขอให้เราเจริญเมตตากันจริงๆส่วนใหญ่เราจะเจริญแบบนอกแก้ว ร้องแก้วจ๋าแก้วจ๋าพอได้แก้วก็โยนทิ้งอยากจะเอากล้วยจ๋ากล้วยจ๋าเวลาสวดมนต์สัพเพจตตาเอเวลาโหนตุก็สวยกันเหลือเกินพอเจอหน้ากันก็แยกเขี้ยวใส่กันอันนี้ที่เรียกว่าไม่แผ่เมตตาการสวดนี้เป็นการซ้อมเป็นการสอนให้เราเตือนสติให้เราว่าเราต้องมีความเมตตามีความปรารถนาดี อย่าคิดร้ายต่อผู้อื่นอย่าปัสสล้ายผู้อื่นให้คิดว่าเป็นเรื่องของกรรมเวรของเขาก็แล้วกันที่เขาต้องมาทําอะไรที่ไม่ดีต่างๆแต่ไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปโกรธไปเกลียดเขาเพราะมันจะดึงจิตใจของเราให้ตกต่ําทําให้เราไร้ความเมตตาแล้วจะทําให้ใจของเรามีความทุกข์แต่ถ้าเรามีความเมตตาใจเราจะมีความสุข อย่างที่อ น, นิสงค์ของความเมตตาก็จะตื่นก็เป็นสุขหลับก็เป็นสุขเวลานอนหลับก็ไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเวลาตายไปก็ไปสู่สุขคตินี่คืออ น, นิสงค์ของความมีความเมตตาไม่ใช่อ น, นิสงค์ของการสวดสัพเพเวลาหนุนตุอันต่างกัน ส่วนแต่ใจไม่ได้น้อมไปกับสิ่งที่เราสวดก็ไม่เกิดประโยชน์ขึ้นมาส่วนแล้วใจต้องน้อมไปตามสิ่งที่เราสวดเจริญใจเราต้องเมตตาจริงๆให้อภัยจริงๆไม่จองเวรจองกรรมจริงๆมีความปรารถนาดีจริงๆถึงจะเรียกว่าเป็นความเมตตาะนั้นปล่อยเขาไปนะใครทําบาปก็ปล่อยเขาไปส่วน เรื่องผลของทางบ้านเมืองก็เขาก็ามีเจ้าหน้าที่มีบ้านเมืองมีผู้ที่เขาทําหน้าที่ของเขาอยู่แล้วก็ปล่อยเขาทําหน้าที่ของเขาไปการที่เราจะไปสาบไปแช่งให้เขาตกนรกหมกไหมนี้มันจะทําให้เราไปเป็นคนไปตกนรกเองส่วนเขาเขาจะไปไม่ไปมันอยู่ที่การกระทําของเขาถ้าเขาทําแล้วเขาต้องไปต่อให้เราสาบหรือไม่สาบเขาก็ไปอยู่ดี ถ้าเขาไม่ไปอย่างพระองคุลิมาเนี่ยไปสาให้ไปตกนรกก็ไม่ไปเพราะท่านทำความดีทีหลังหลังจากที่ทำบาปแล้วท่านก็มาทำความดีท่านก็ไม่ต้องไปตกนรกท่านไปพระนิพพานได้แนเรื่องของวิบากกรรมนี้เป็นเรื่องของของบุคคลแต่ละคนที่ไม่มีใครที่จะไปกําหนดกฎเกณฑไปสั่งมันได้ ปล่อยให้เป็นไปตามกฎแห่งกรรมแล้วใจของเราจะได้เย็นสบายไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นอยู่ในโลกนี้ทุกวันอและที่สําคัญคือที่โกจะมากมายไม่ใช่เรื่องของตัวเองเลยครับอาจารย์ถ้าโกตัวเองได้ก็ดีคนเราไม่ชอบดูความผิดของตัวเองชอบดูความผิดของคนอื่นโลกมันถึงวุ่นวาย ถ้าทุกคนหันกลับมาดูความผิดของตนในโลกก็จะสงบเอาแล้วนะดีไหมยังมีข้อไหนกลาวมมาตการครับอาจารย์อเวลาที่เราจเจริญภาวนาอยู่เนี่ยเราเกิดเวทนาเนะี่ยจิตเราจะมาอยู่กับความเจ็บความปวดเนี่ยเราจะแก้ไขยังไงครับถ้าเราอยู่กับความเจ็บความปวดได้โดยที่เราไม่สะทกสะทานก็อยู่กับมันไป แต่ถ้าเราเกิดอาการสะทกสะท้านหวั่นไหวก็อย่าไปอยู่กับมันให้หันมาอยู่กับพุโทโธคำบริกรรมแทนบริกรรมพุโทโธให้ถี่จนกระทั่งมันไม่มีช่องที่จะไปคิดถึงความเจ็บเลยถ้าทาอย่างนี้ได้วความทุกข์ใจจะหายไปเพราะว่ามันไม่มีโอกาสที่จะปรุงแต่งไม่มีโอกาสที่จะเกิดความอยากให้ทุกขเวทนาหายไปพอไม่มีไม่ปรุงแต่งให้เกิดความอยาก ความทุกข์ใจก็จะไม่เกิดใจก็จะสงบแล้วความเจ็บก็จะไม่เป็นปัญหาจะหายไปหรือไม่หายไปบางทีหายไปด้วยบางทีไม่หายแต่ใจไม่ไม่สะทกสะท้านไม่หวั่นไหวเพราะใจเป็นอุเบกขาด้วยอำนาจของการบริกรรมพุโทโธพุธโทโธอันนี้ก็วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งก็คือการพิจารณาเวทนานี้ว่าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นสิ่งที่มัน เป็นเหมือนเงาตามตัวเราเราไปห้ามมันไม่ได้มันต้องมาอยู่กับเราอยู่เรื่อยๆงั้นเราอย่าไปรังเกียจมันเราหัดชอบมันรักมันถ้าเราต้องอยู่กับใครถ้าเราเกลียดคนนั้นเราจะอยู่อย่างมีความทุกข์แต่ถ้าเราเปลี่ยนใจหัดชอบเขาได้เราก็จะอยู่อย่างมีความสุขงั้นปัญหาไม่ได้อยู่ที่ทุกขเวทนาอยู่ที่ความรักความชังของเรานี่เองเราชอบเลือกที่รักมักที่ชังกันมันถึงเกิดปัญหาขึ้นมา เราเรารักสุขเวทนาแต่เราเกลียดทุกขเวทนาพอเจอตัวนี้ทีไรเราอยากจะไล่มันไปทุกทีนั้นเราต้องหัดรักให้มันเสมอกันรักเท่าเทียมกันรักทั้งสุขเวทนารักทั้งทุกขเวทนาเพราะเขาเป็นเหมือนลูกของเราอะเรารักแต่ลูกคนนี้แต่เกลียดลูกคนนี้มันก็ไม่ยุติธรรมมันก็จะทาให้เราทุกขใจไปเปล่า ดังนั้นก็มีสองวิธีเกิวิธีแรกก็วิธีของสมาธิของสติก็เป็นวิธีชั่วกล่าววิธีที่สองนี้เป็นวิธีถาวรถ้าเรารับทุกขเวทนาได้แล้วต่อไปเราก็อยู่กับเขาได้ตลอดเวละเราจะไม่มีความวุ่นวายความเดือดร้อนกับทุกขเวทนาเพราะใจไม่ต่อต้านใจไม่มีความอยากให้ทุกขเวทนานั้นหายไปอันนี้วิธีนี้ดีที่สุดะ ก็จะทำให้เรานี่ตายอย่างสบายร่างกายจะเจ็บปวดขนาดไหนใจจะรู้สึกเฉยเฉยลองเอาไปปฏิบัติ ด, ดูเฮ้เวลาที่เรามาทำบุญนะครับเอ้เขียนใบภาวนาหรือสองบัป่าเนี่ยครับเราเขียนชื่อบุคคลอื่นโดยที่บุคคล น, นั้นเขาไม่รับรู้แล้วผลบุญนี้ เขาได้รับหรือเปล่าครับไม่ได้หรอกการทําบุญนี้บุคคลจะต้องรู้เองแล้วออกมาจากเจตนาของตนเองต้องมีความจงใจมีความตั้งใจที่จะทําบุญและต้องเป็นเงินของเขาเองถึงจะเกิดความรู้สึกความสุขใจขึ้นมาภายในใจถ้าเราเขียนแล้วเราไปบอกเขาทีหลังว่าเราวันนี้ทําบุญให้เขาเขาจะรู้สึกเฉยๆเพราะเขไม่ได้เสียเงินเสียทองเราต้องเสียสิ่งที่เรารักไป ด้วยความยินดีเราถึงจะเกิดความสุขใจขึ้นมาถ้าเราไม่ได้เสียอะไรไปมันก็ไม่เกิดความรู้สึกอะไรขึ้นมาภายในใจบุญก็คือความสุขใจที่เกิดจากการได้ปล่อยวางสิ่งที่เรารักที่เราหวงไปนี่นงองอาจารย์าะสมุทรเราไม่สะดวกไปทำบุญอย่างนี้ แล้ ว, ลวรเราฝากคนอื่นาทำกูหรือเงี้ยได้ได้ได้เพราะเป็นเจตนาความจงใจของเราเป็นเงินของเราเพียงแต่ว่าเราไม่สามารถมาได้ด้วยตัวเองต้องเป็นของเราและต้องเป็นเจตนาของเรา่เป็นความตั้งใจของเราแต่เราอุทิศให้คนที่ที่เสียไปแล้วได้ได้เพราะเราเกิดความสุขใจแล้วในขณะที่เราเอาเงินฝากเข้าไปเนี่ยแล้วก็สุขใจแล้ว เราก็าความสุขใจนี่แหละอุทิศไปคนที่รอรับความอุทิศก็รอความสุขใจนี้เพราะใจเขาทุกด้วยความหิวโหยพอเราบอกเขาว่าเราได้ทําบุญให้เขาส่งอาหารทิพย์ให้เขาพอเขารับทราบใจเขาก็เกิดความอิ่มขึ้นมาการขาคเร่อทุกข์ก็ตอนตอนเช้าอคะ่ะดีดูลราตื่นขึ้นมานะคะ เขาก็แถวนั้นชาวบ้านเราไม่มีจุดคู่ไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วคือเราก็ได้กลิ่นคู่กับแรงมากเลยเราไม่ได้คนเดียวนะคะแบบลูกก็ได้กลิ่นอย่างเงี้ยคือกลิ่นมันมีสองสองชนิดไงกลิ่นหยาบที่ได้รับรู้ผ่านทางร่างกายและกลิ่นทิพย์ที่แล้วรับรู้ผ่านทางใจใ ช, ชีวิตเรานี่เรามีสองส่วนมีส่วนที่หยาบคือร่างกายที่ทํามาจากดินน้ํานมไฟและส่วนที่ละเอียดที่เรียกว่ากายทิพย์ ใจของเรานี่คือกายทิตอย่างนั้นบางทีอาจจะมีเทวดงเทวดามาพ้นเปียนอยู่แถวนั้นก็ได้ที่เราได้ดมกลิ่นกันนี้ส่วนใหญ่ท่านบอกจะเป็นกลิ่นของเทวดาอว่ามาเวลา เ, เราอยู่บ้านนะครับ เ, เราถวายข้าวพระพุธหรือว่าน้ำเนี่ยทำทาถูกต้องปะไม่เกิดประโยชน์อะไรพระพุทธเจ้าไม่ต้องการข้าวไม่ต้องการน้า พระพุทธเจ้าต้องการปฏิบัติบูบชาถ้าอยากจะบูชาพระพุทธเจ้าก็ให้ปฏิบัติบูชาทำทานรักษาศีลภาวนาไปไม่ต้องมีพระพุทธรูปเสียได้ซ้ําไปพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาให้พวกเรามีพระพุทธรูปพระพุทธเจ้าบอกว่าเราไม่ใช่เป็นพระพุทธรูปเราเป็นธรรมผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราถ้าอยากจะเห็นเราให้ปฏิบัติ จนปรากฏมีดวงตาเห็นธรรมเราก็จะเห็นพระพุทธเจ้านั่นนี่คือวิธีบูชาอย่างแท้จริงเพราะจะทําให้เราหลุดพ้นจากความทุกข์นั่นคือสิ่งที่พระพุทธเจ้าปรารถนาจากพวกเราก็อยากให้พวกเราได้ดูดพ้นจากความทุกข์กันไม่ต้องการข้าวไม่ต้องการน้ําไม่ต้องการปรจัจจัยเงินทองอะไรต่างๆเพราะใจของพระพุทธเจ้านี้เต็มเปลี่ยมไปแล้วด้วยทรัพย์ภายใน คือด้วยประมังสุขขังดังนั้นทรัพย์ภายนอกนี้ไม่สามารถที่จะมาสู้กับทรัพย์ภายในไ ด, ด้ต่อให้ถวายเงินเป็นร้อยล้านพันล้านหรือแสนล้านก็ไม่สามารถที่จะมาสู้กับความรู้สึกที่มีอยู่ในพระทัยของพระพุทธเจ้าคือประมังสุขขังนี้ได้เลยดังนั้นพวกเราไม่ต้องไปถวายข้าวถวายน้ให้กับพระพุทธลูกเาบอกว่ามันเป็นอุบายของวายาวจกร วา ย, ยาก็คือคนรับใช้พระเขาอยากจะกินข้าวของดีๆเขาก็บอกให้ญาติโยมเวลาทำกับข้าวต้องจัดชุดมาถวายให้พระพุทธรูป <c oughs> พอถวายเสร็จใครเอาไปกิน <c oughs> ก็วั ย, ยาวัจกรนี่ <c oughs> เรารู้เพราะว่าตอนที่เรายังไม่บวชเราเคยไปอยู่อาศัยวัด <c oughs> แล้วเราก็ไปนั่งกินกับวั ย, ยาวัจกรนั่นแหล เอาแล้นะขอขอขอแค่นี้ก่อนนะอ่อนเข้านะครับในชีวิตประจาวันวุ่นวายมากพระสารทีนี้ถ้าเราเลือกทําเจริญสติแทนสวดมนต์ได้ไหมคะคือกลับบ้านสวดมนต์ไม่ไหวเราหันเหนื่อยก็คือการเจริญสติอย่างหนึ่งไงค่ะเราก็พูดโธไปในใจอยู่ตลอดเวลาก็ได้ระหว่างวันอ่าแล้วจดจ่ออยู่กับงานที่เรากําลังทําอยู่อย่าไปคิดถึงเรื่องที่ทําให้เราวุ่นวายใจที่วุ่นวายใจเพราะเราไปคิดหามันเองอะ ถ้าเราดึงใจเข้าข้างในมันก็ไม่วุ่นวายเราชอบส่งออกช่องส่งชอบส่งออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสแล้วก็คิดบุงแต่งขึ้นมาเพราะไม่ถูก อ, อกถูกใจกับรูปเสียงกลิ่นรสที่เราได้สัมผัสรับรู้เท่านั้นเองถ้าเราใช้พุทโธดึงเข้ามามันก็จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆมันก็จะไม่วุ่นวายใจเป็นวิธีที่ถูกต้องที่เราควรจะทําทั้งวันพอเวลาเรามานั่งสมาธิเราจะมีสติทําให้ใจสงบได้อย่าง รวดเร็วและง่ายดายเอาแล้ะนะวนฟ้าทําท่าจะตกแนละ้วก็ให้ญาติโยมนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิพิจนาและปฏิบัติเพื่อความเจริญก้าวหน้าในทายิ่งยิ่งขึ้นไปเธอ